เมื่อไหวาโลกเขามีส่วนผสมมากมาต่างๆนุ่มเยิ้มเข้ามาคุามคำเขามีส่วนผสมมากมากขึ้นมีวกัน ทุกต้นทุกตอต่งตงอ า, า, อางเป็นต้นเวลาออกตอเขก็วตอเขยต่างงานขร้างเยกะๆพอเมอมีสิ่งเชือแสงที่เกี่ยวเป็นอะไรมากงานการปฏิบัติก็ง่ายการทิ้งเกอ่ก็ง่าย แล้วอย่างอื <soon. S 1> Terror, <notification> ่นที่เที่เครื่องประอบกันก็ง่ายถ้าไม่มีมากมายกับใจมาเยอะๆทอนานๆๆๆก็ต้องมีเครื่องเครื่อแสงเยอะมและเครื่องเครื่องแสงเรานั่งใจกลายเป็นความจาเป็นขึ้นมาปิดบังความจริงที่จรจะมองไม่เห็น อาติอาวานทังนั้นทองคำมักบงังพัชชุสงคำมุกมักบางพัทยสมเราจะเห็นมากในพิธีการต่างๆที่เกิดขึ้ น, นกันอย่าเห็นมากก็มีการมนกรรมเนียนพิธีต่างๆส่วนกาจรจินของ ีปาสไปแท้นั้นมีน้อมากนี่ผู้จะสังเกตเอาความจริงนั้นจะสังเกบได้ว่ายนนือมามองดูสิ่งระดนที่อยู่น้าร้านหรืออยู่หน้าร้านนั่นกประดิษฐ์เอาสิ่งที่อยู่หน้าร้านั้นปที่อยู่หลังร้านต้องคันต้องคันก็ไม่เหมือนกตก่อนก็เป็นหน้าร้านสิขอหน้าร้านผิวผิขผ่าหน้าร้าน ต่อมาก็กลาเป็นหลังร้างัปถึง ก, การแปลงเท่าไหรมันก็มาอยู่ที่หน้าร่างพอมาไม่ถึงก็ไปถึงเฉพะที่หน้าร่างมีความึกถึงหนึง่ ง, งาระ้าคันตันสารทั้งเอเซ่ตันมีย่นเข้ามาถึงตัวาองเราแต่ข้อย่างยื่นได้แต่ใจ อันนี้ต้องนเพื่อแสงคิดออกมา้วขณะใดเรื่งใดมี่ปเรื่องเพื่อแสงทั้งนั้นเรื่องความจริงไม่ค่อยจะนีคือที่จะยึดคือที่จะปฏิบัติต่แก้ไขว่าอันใดผิดอันใดถูกิงๆทั้งกิดไม่เคยออกทั้งอันนี้ไะกินจอมปลอมทั้งหมหน้าร้านเหมือนกันเพื่ออาจก็ออก ก่อนแล้วมันเป็นวาเขาอยู่ที่ตออกกาออกข้อเขาเปิดประตูไม่ได้ออก่อนถึงจอมจอมออกกดะเด็นเง่้นลอยก่อนเน้ะมันกินไม่ได้ออกแล้วสุดท้ายจะมีจยมจอมจนไปหมดของกินมนกระดุกกระดุกไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้การคิดแต่คิดเงี้ยงของพิลกกสติปัญญาประชาราชทางกิลึก อะไรๆมีแบบที่เหลือับไปใ้เรอก่อ่องมีที่ดีทื่เหลืาจะไปใช้เรืหมอกก็ิกปัญญาที่จะเป็นอัดเป็นคันอยู่มาแทรกขายของความหลักความจริงที่ประเทตกได้เองของง่าเลยประดุประดิษฐ์ตัวไม่สนที่เหลือมีมากมากกว่มีสู่ปฏิบัติจริงลำบาก มีนักถือาพิธลศัพทาษาเนบากเราะอะไรเป็นศัพท์าษาแค่อะไรนีครับมันมีตั้งแเรื่องเกี่ยวกแสงไปหมดใัพท์ภาษาจะเพียงอยู่ตามบ้านตามเรือนทั้งคมแม้จะอยู่ในวัดก็ยังเกี่ยวไปรืสานี้ของจริงนก็รากกดเป็นลบาที่สะยึดศท์คมร้หลากหายต่าง มันก็เป็นเรื่องโลกไอ้ทาให้ลืมตัวอั่นี้มันก็เปลี่ยนอยู่ภาในวัดในสาลไม่มีที่ไหน้มันเปลี่ยนอยู่ในบุคคลอีกบุคคลในวัดในวัดวัดไหนก็ตามถ้าเป็นมั่นก็เรื่องมันเปลี่ยนขึ้นเดียวหละในวัดวันต่าวัดบ้านวัดพระป่าพระม่านพระอะไรถ้ามันเปลี่ยนไปเรื่องของ ดือ่าคูมลรงจะกระจัดสนหนาอางนั้นมันก็เรียกว่ามันตองไปดูดังนั้เอายกตัวอย่างขึ้นพุติละถ้าเรา่าพนฟูไหมว่าถ้าองไรถ้ า, าใครว่ามีใส่ใส่กัทายาหวายถ้ไม่ดีดีดีต้องเห็นเป็นตู้โงงสืส่อง เรื่องนี้ก็เกิดก็มีขึ้นมาตามสิ่งอย่างนี้ก็ตามสิ่งที่สองก็เป็นความต่อสวงรค์ความคู่นั่นคือไม่เลื่อนลงไปทั้งตั้ไดการแสวงหาอะไรนั้นก็จะกดอนันต์กลุ่มหนึ่งถึงต้อรูรหนี่หยาดพ่ะหากความตั้ใจในสิ่งใดถึงต้่นก่ออาฆา นีโอกาสฆ่าพ si de ิษห si ักความหลักความจริงของพระพุทธ้าสนเป็นส่นสองจิตใจก็อาเขาเศ้าหมองไม่มีความเกลียดกยุดความในนั้นเลยมีแตเรื่องของที่หลุดตันหาออาซะเติมประหมดในวงตัดตัาในวงผุ้ัดจิตแบบในวงพระดวงในวงพุทธอดีตเต็มไปด้วยสิ่งตันรยสิ่เลียแส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 ความจินอย่างไรมี่เราพอที่จะเทียบพอที่จะเกี่ยน้านจากกลักความที่ตักพระเจ้าทรงสั่งสอนและดำเนินมาตั้งแต่ตั้งคู่ต่างมาถึงสมัยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของการติกพระปฏิบัติคืออะไรเกีย่ยวกับคามมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจนี้มีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง น, นี่เราพอเทียบเทียบกันไดกเพมีหลักมีเกณฑ์มีกำนังงานแล้ญญญวล เมื่อเราจะไม่ทราบในทางไปดูสักจุดสักทางัณะภาวนาก็มีที่แจงแบบท่เาทั้งหลายกอทระพาศบ้างในช่วงพุทธการการมีความสั้นโหลด่ห้มีความมากมายก็อย่างยิ่งในเรื่องการรักอันนี้การเป็นธรรมแบบหน้าอกตาในช่วงพุทการเราแดงสันเลขาตาขาคิดกับสันเลขาตาเจอว่าคาพูดที่เป็นไป กับเคื่องกางแท้ที่ดุจอาวัตที่เป็นเครื่องสำนักที่ดุจอาวัตนันเลยสาหรับความเป็นเครื่องเป็นเคื่องเก่เป็นอัปิคตาเป็นผู้มักน้อยถามามักน้อยสำหรับท้านั้นภาพไม่ครับแต่้งหลับคาราสนี้งสวนมากไม่จะเข้าใจกันคงอนข้งที่คาาก็เป็นผู้วรจะปฏิบัติในธรรมก่อนหนี้มีอยู่ เป็นธรรมกันเต็ทั้งหมดแปว่าได้เช่นเดียวกันในท่าแหนงที่จำเป็หรือในส่วนที่จำเป็นเพราะวมักน้อยจะมีมากมีน้อยเช่นไรก็ตามที่ขาศรัทธายเดินเขานำมาถลายแต่ต้องการเชียงน้อยๆเท่านั้นให้เปเชียงกลางเรืออเียงก็เป็นสื่อที่เยงสนเส่ที่ลก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 ยินดีตามมีกามมากมีมากมีมากแค่าการเกิดการมีมีขยับขึ้นมาเป็นากางกลางคือไม่เด็กเกี่วยวเป็นภาพโดยทั่วไปสันรับผูทป่ิบัติมีหนาทึบหักพระอาศังจัพมิการ้อนไม่ทุกป์ดีใน่ะว่างบำเพ็ญกิจอื่น คือไม่คิดดีดีแต่ไม่เดินั้นเดินเมื่ออาสังกับมิจจรไม่ดีเดินยุทธะซึ่งไม่ทำไปวิเยกตาจะให้อยู่ในที่สงบสงัดปราจากสิ่งรบกวนทั้งรูปทั้งเสียงทั้งสลิ่งทั้งเลื่อนทั้งกับองต่างซึ่งเป็นทังตัวจิตใจวิริยลัมพาสอนให้ประการความภาคเพียงในญยบททั้งสี่ให้เต็นไปด้วยความภาคเพียง มันเป็นไปเพื่อความแข็งแกร่งที่เร็วเติบใหญ่ย้อนเสียตลาดเท่านั toxins, things, ้นทีมันเป็นความมัเป็นตัวน่าระวังความสีเรื่องตนให้เชื่อมขามจากกฎพรบัญญัติที่ทรงทั้งสองเลยนะสมที่แสดงถึงความ้งบฤทธิ์ความลมเย็นของใจแสดงถึงความมั่นคงของใจมันเป็นหน้าฐานทั้งคญที่จะเป็นคดีงี้เป็นเชื่อ หนูพริปัญญาในเลาทิุด้นโดยเกิดความเฉลียวฉลาดทำกับการต้องการยิมุมดยิ่งเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีความสามารถเก่งแก่เนี่ความหุดพ้นก็ต้องเกิดขึ้นในสถานที่นั้นวิมุตติยาพัฒน า, ค, า, นาความยึดแย้งพักในความดุดพ้นท้งต น, นเาขายอปรากฏขึ้นเราขณะเดียวกันมีเรียกว่าสังเลยสระคาถ การจากด้วยกรหับพร้อมพิโดธมีเป็นหลักคำที่จะในทั้งคุณก า, า, ารข่านผาดําเนินกันหน่ ง, งเป็นล่าเป็นผนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นปฏิกิติทาอย่างแท้จริงมีละเอียดว่าคำของจิงนี่คำของกรอมก็แยกจากนั้นไปโกงเงินข้ามตรงเงนข้ามเรื่อยไปหมดมีเวลานี้มันมีแต่ทำโกงเงิข้ามคนนั้นขับติชะตาให้มีความมากน้อยแล้วเราดูที่ทุกวันนี้เป็นยังไง มากน้อยไหมมีทำโครงข้าเห็นอแบบนี้มันไม่มีถ้าจะพูดว่ามันไม่มีก็ถูกกันลาามันเป็นมหิตาจาป็นความมากมาก้าอะไรไม่มีเนอจะเป็นการสังสรรค์กไม่มีเงินพอนั้นเองผลโดดคือความีดีคามมีความมากแต่ความก่ะแสวงมันก็มีขึ้นมาเพีย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 อยู่ในตัวเองกับจตปลอมอยู่ในศาสนาทานเทพของพระเป็นพระวาามันก็เป็นทั้งๆไปเช่นเดียวกันเพราะต่างคนต่างมุ่งความอ่อนละความมุ่งความนำหลักความจริงด้วยกันแล้วจะจะต้องเห็นสิ่ที่ปลอมอยู่ใภาในจิตใจเช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่โยมากพระว่ารุชะต้องเป็นกิเลสวันนั่งยั่ที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดนใีนมมาา้ต้องเป็ น, น, นทั้่ๆกัน ไม่เลือกเทศไม่เลือกภาพท่านนั้นนะถ้าผู้ตั้งใจจะพุทธปฏิบัติก็ควรไปเห็นหลักความจริงก็าจรงจอมกลอมที่นักเที่ยวแสงแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตายพิสิทธกําลังความาาาาสามารถขอ ง, งตอนเราก็จะควรมีความมุ่งมุ่นตรงสุดสมกับลายถือพุทกศาสนามาเป็นชาพุทธมีและยี่หลักความจริงของศาสนาที่เราจะเที่ยวได้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 อภิชตะอภิชตาก็มหิชา ต, า, ช า, ต า, า, าลบล้างเสียด่งคือความมากน้อยนั่นก็มีความมากๆลบล้างไปเสียความพอดีก็คือความเลยเถิดเป็นผู้ลบล้างไปเสียภาัาพัฒนิกาไม่ให้ทุกคีก็คือการมั่วขุมนั่นลบล้างไปเสียพิเวกตาชอบในที่สงัดก็หาเครื่องบำรุงบำเลอมมาคล้องเต็มอยู่ภายใน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 ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถึกเดชขึ้นทําลายคำซึ่งดีอยู่ภายในจิตใจทั้งตัอยู่ที่ไหนก็ร้อนในเราไม่ต้องไปถามผนนรกอวิชีที่ไหนผู้ที่รับดีอยู่ผู้ที่รับสิ่งเอาเคราะร้อ ย, อยู่ตลอดเวลาก็ขีดใจซึ่งเป็นผู้ผขิดพรานขึ้นมาภายในจิตใจทังตัเราดูที่นี่เราก็าขาดดงนั้นเราเป็นนักปฏิบัติลงตะนลงตะลุนนาให้เรียนเข้ามาที่นี่ศึกษาเข้ามาที่นี่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 ก็เป็นความร่วมเย็นเป็นสิทธิ์ที่เป็นทําขึ้นมาส่งเสริมจิตใจให้รับความระดวกสบาอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแหละผู้มีธรรมภายในต่างเพราะฉะนั้นการละการสงวนตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญการแจ้งหาตัวเองก็ดีการดัดแปลงตนเองก็ดีการฝึกทรมานตนเองก็ดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมตามหลังนักบากที่ท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เยี่ยมในโลกในสงสารให้เราทั้งหาได้กล้าได้บุพาระเข้ิด พราองค์เป็นผู้ศึกผู้ทรมานพระองค์เองจนมีชัยนะอย่างเต็มภูมิในหลักธรรมท่านสอนไม่ว่าดัวชาสร้างชางเชนะัพสรามอมันิเชทีหนึงเทรกันจากธียมัตต า, านังเยเัสรามัชิตโมการชนะนนผู้อื่นนั้นคุณด้วยล้านก็ตามไม่จะจะตเป็นความธนะอันเฉยเลยนอกจากการขอเวียนเท่านั้น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 พิเรย์ไม่ได้แตกเขด้วยมีแต่ทําแตกเพราะนั่งภาวนาก็คู่หนึ่งทําแตกแล้วออจิตไม่ทราบว่าไปทิศไหนจะดอนใดดานแดนใ ด, น ด, นดนทําแตกถ้ายังไม่เข้าใจว่าทําแตกก็คุณจะท้าบถือว่าทําแตกแตกอย่ังไงพอนั่งภาวนาก็เอาแล้วเอาเรื่อเวลามาจับกันแล้วเนี่ยนั่งเดี่คู่หนึ่งยามหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องทั้งทั้งที่นั่ ง, งนั้งจิตก็ไม่ได้เอาเรื่องกับ ถิ่กับทําเอาแต่เรื่องที่เดืกส ร, ร้หาใช่ไหมว่ามายุ่งอยู่ภายใ น, ในจิตใจพอออกมาก็ทวงเอาคึณเอาค่าเอาสมาธิเอาไปงานอาวิมุตตจากการนั่งอย่างลอยลมนัะเมื่อไม่ปรากฏก็เกิดความน้อยเมื่อําใจว่ามีเรามีอำนาจเราศรัาน้อยไม่ควรเกี่ยวกศาสนาไม่ควรเกี่ยวกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนอาภาพัพนะพอเราสร้างความอาภาพเสร็จเราในขณะที่เราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ทราบ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 ธรมโมปฏิปกคามสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นทางยในใจเทพีเดียดดับบูเป็นไปหมดด้วยอำนาจของความเพี่ยนนิแลศาสนาเจริญเจริญที่นี่แล ะ, าา ะ, ะผู้ทรงาศ า, าสนาก็ทรงที่จิตใจอํานาจวาสน า, ามีมากน้อยก็จะทราบที่ใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยว่าวาสนานี้เกิดมาจากไหนก็ามาเกิดขึ้นมาจากความเพียนของผู้ไม่อ่อนแอต้องกานทั้งขอใ ท, ทุกทุกพันธุ์นำไปทีนี้ที่เกิดมาการเจ้าธรรมะนี้เป็นธรรมะป่าอาจารย์ ขึ้นูงต่ำตำรุ่มเรนนรองขออภายจากความผิาทงหลายโดยทั่วถึงและขอยกตเงเน